เมื่อพระพุทธองค์จะตรัสเทศนาชราทุกในปฏิสนธินิเทศวาระจึงมีพระพุทธปริหารตรัสว่าพิก เ, เวดูก่อนพิขูทั้งหลายชราอันใดที่ตถาคตตรัสเทศนาไว้ในอุทเทศวันชรานั้นมีสภาวะเป็นดังรือพิก เ, เวดูก่อนพิขูทั้งหลายยาชรา อนว่าชราอันใดมีสภาวะกระทําให้อินทรีย์คร่อคร่าวิกลวิกาลวิปริตต่างๆมีผมงอกฟันหักแก้มตอบผิวหนังหดหูเป็นเกลียวเหี่ยวแห้งตามืดหูหนักเป็นอาธิควรที่จะสมเพศเวทนานั้นตถาคตเรียกว่าชราทุกและชราทุกนี้บุคคลทั้งหลายหาเล็งเห็นด้วยมังสาจากสูไม เทาเว้นไว้แต่บุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาจากสูนั้นจึงจะเล็งเห็นโดยแท้เปรียบดุดเพลิงไม้ปาแล้วดับไปเพลิงนั้นก็มิได้ปรากฏที่ไม้แต่ฐานและเท่านั้นปรากฏแก่ชนทั้งหลายยะถาและมีอุปมาชั้นใดความชราทุกนี้หาปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายไม่บุคคลทั้งหลายเห็นผู้ใดผมงอกก็ดี เห็นฟันหักแก้มตอบก็ดีเห็นผิวหนังหดหูเป็นเกลียวเหี่ยวแห้งก็ดีเห็นตามืดหูหนักก็ดีจึงรู้ว่าความชรามาถึงปรากฏตถาก็มีอุปมาเหมือนที่เพลิงไหม้ปรากฏฉะนั้นถ้ามิฉะนั้นดุดน้ำท่วมป่าและพัดพากิ่งไม้และใบไม้และอยากเยื่อเชื้อฝอยลอยไปถึงที่ใด ชนทั้งหลายก็รู้ว่าน้ำท่วมไปถึงที่นั้นถ้ามิฉะนั้นดุดลมพายุพัดยังกิ่งก้านสาขาแห่งพฤกษชาติทั้งหลายให้หักทบเท้าลงครั้นลมนั้นสงบไปหาปรากฏไม่แต่ชนทั้งหลายเห็นกิ่งก้านสาขาแห่งพฤกษชาติทั้งหลายอันหักทบเท้าทำลายลงนั้นก็รู้ว่าลมพายุพัดยะถา และมีฉันใดชนทั้งหลายเห็นฟันหักแก้มตอบเห็นตามืดหูหนักเห็นกระชากายครื่มคร่าเห็นผมงอกเห็นผิวหนังหดหูก็รู้ว่าความชรามาถึงมีอุปมาดังนั้นอีกประการหนึ่งชราทุกนี้ย่อมขับอายุสัตว์ทั้งหลายให้น้อยลงข้างหน้าให้มากขึ้นข้างหลัง ดุษตรีทอหูพุ่งไปพุ่งมาทีละเส้นทีละเส้นหูกนั้นน้อยลงข้างหน้ามากขึ้นข้างหลังฉันใดก็ดีชราทุก็ชักอายุสัตว์ให้น้อยลงข้างหน้าให้มากขึ้นข้างหลังก็เหมือนกันฉะนนั้นอธิบายว่าเกิดมามีอายุร้อยปีครั้นล่วงไปวันหนึ่งก็ขาดจากร้อยปีวันหนึ่ง ครันล่วงไปได้เดือนหนึ่งก็ขาดจากร้อยปีเดือนหนึ่งครันล่วงไปปีหนึ่งก็ขาดจากร้อยปีลงมาปีหนึ่งยังอยู่แต่9กปีตกว่าความชรานี้ขับอายุแห่งสัตว์ทั้งหลายไปสู่มรณะเป็นนิตยาการทุกวันทุกคืนไปไมิได้ขาดสายอีกประการหนึ่ง ชราย่อมกระทำอินทรีทั้งหกมีจัดขุนสีเป็นอาธินั้นให้เศร้าหมองขุนมัวคร่ำคร่าทวัดติงสาการสามสองมีเกสาเป็นอาธินั้นเล่าก็วิกลวิการวิปริตต่างๆร่างกายก็เหี่ยวแห้งพึงเกลียดพึงชังควรจะสงสารสังเวชหนักหนาอีกประการหนึ่งกายแห่งเราท่านนี้ มีตันหาเป็นนายช่างปลูกขึ้นเมื่อแรกนั้นยกกระดูกส้นเท้าทั้งสองขึ้นเป็นแท่นรองเบื้องต่ำแล้วจึงยกขึ้นซึ่งกระดูกแข้งและกระดูกขาเป็นเสาแล้วจึงยกขึ้นซึ่งกระดูกเอวเป็นรอดสวงกระดูกสีข้างขึ้นเป็นกรอนซ้อนกระดูกสันหลังเป็นอกไก่แล้วจึงยกขึ้นซึ่งกระดูกคอและกระดูกไหลเป็นขืเป็นดั้งตั้งลง ยกกระดูกศีรษะขึ้นให้ตรงเป็นช่อฟ้ากล่าวมวยผมเป็นยอดแห่งช่อฟ้าอ้อยซึ่งแขนซ้ายขวาเป็นป้านลมหนังหุ้มกระดูก อ, อกเป็นฝาแล้วรัดรึงตริงตราด้วยตอกละหวายคือเอ็นน้อยและเอ็นใหญ่แล้วบริกรรมทาด้วยปูนและน้ำเชื้อคือเนื้อและเลือดเสร็จแล้วก็ประกอบประตูเก้าแห่งคือทวารทั้งเก้า จักุทวารคือตาสองโสตทวารคือหูสองคานทวารคือรูจมูกสองมุขทวารคือช่องปากหนึ่งปัสสาวทวารหนึ่งอุจจาระทวารหนึ่งเป็นทวารเก้าชะนี้แล้วจึงตั้งไว้ซึ่งสีหบรรชรทั้งห้าแห่งคือจักรุประสาท1หนึ่งโสตประสาทหนึ่งคานะประสาทหนึ่งชิวหาประสาทหนึ่ง และกายะประสาทหนึ่งดังนี้แล้วจึงบอกผิวภายนอกคือตาโจหนังและทาไปด้วยน้ํายาอันเหลืองและขาวคือขมิ้นและแป้งเป็นอาธิประทํามซึ่งดวงจิตเป็นเจ้าเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อขณะการลมพายุพัดคือธรามาขจัดเบียดเบียนบีทาย่ํายีแล้วการใดเรือนคืออัตภาพนี้ ก็มีอาจจะตั้งมั่นถาวร อ, อยู่ได้ก็ให้หวันไหวสั่นคลอนไปมาให้คร่ำคร้าชราลงทุกคืนทุกวันอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นั้นทุกพลภาพลงจะลุกจะนั่งก็กระทําเสียงครางจะยืนเดินก้าวย่างก็กระทําเสียงครางครวญสวยทุกขเวทนานั้นต่างๆประการหนึ่ง พระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วการใดปัรดาดอกไม้อันเบิกบานในน้าก็ดีในบกก็ดีรันต้องรัศมีพระอาทิตย์แล้วก็เหี่ยวแห้งหายสีเศ ร, ร้าส้อย่รยร่วงลงปราศจากสีสันพันณะไปในการเมื่อ น, นั้นประการหนึ่งพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วถึงพระจันรนันรุ่งเรืองนั้นก็อับสูญเสียสี ราศจากรัศมีเศร้ามองลงชั้นใดก็ดีความชรานี้ถ้าแม้นมาถึงแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายซึ่งมีวัยวัฒนาการและมีรูปโฉมอโสภาอยู่นั้นให้โรยราเศร้าส้อยปราศจากสีสันพันณนะปราศจากกำลังวังชาให้กระชกายนั้นเหี่ยวแห้งลงทุกวันทุกเวลาเป็นที่เกลียดที่ชังตถา ก็มีอุปมาดังพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาฉะนั้นความชราย่อมเบียดเบียนสัตว์ให้เสวยทุกขเวทนาชนีเตนะวุจติเหตุการณ์ดังนั้นตถาคตจึงตรัสเทศนาชื่อว่าชราทุกข์ด้วยประการชนีอันดับนี้สมเด็จพระพุทธองค์ จึงทรงเทศนาในพยาธิทุกนั้นต่อไปด้วยพระบาลีมีเนื้อความว่าพิก เ, เวดูก่อนพิขูทั้งหลายพยาธิที่บังเกิดขึ้นในกายแห่งสัตว์ทั้งหลายเพราะเหตุมิได้เสมอแปรปรวนแห่งธาตุคือบางทีให้เย็นบางทีให้ร้อนระวนกระวายระซำระสายอยู่ภายในให้สรีระกายนั้นชิบหายไป เปรียบดุดเพลิงอันเกิดแต่ไม้สีไฟถ้ามีฉะนั้นเปรียบดุดดังลูกม้าสินทบชาติอาชาในอันบังเกิดในท้องแม่ลาลูกม้าอันบังเกิดในท้องแม่ลานั้นเมื่อจะออกจากท้องแม่ก็ย่อมทําลายท้องแม่ออกด้วยกีบเท้าทั้งสี่แห่งตนจึงออกได้ถ้ามีฉะนั้นเปรียบประดุดดังไม้กาฝาก พันงอกขึ้นในคาคบไม้ต้นใดก็ย่อมครอบงำไม้ต้นนั้นให้ชิบหายย่อยยับไปถ้ามีฉะนั้นเปรียบดุดลูกไม้อ้อและขุยไม่ไผ่พยาที่ทั้งหลายมีลักษณะว่าไข้เจ็บเหน็บเหนื่อยเมื่อคบนั้นบังเกิดในกายแห่งสัตว์ในการใดก็ให้สัตว์ทั้งหลายถอยกำลังวางชาให้กระชากกายกายกา ย, ย่อยยับไป มีอุปมาเหมือนลูกม้าอาชาในและไม้กาฝากและลูกไม้อ้อและขุยไม้ไผ่นั้นแท้จริงพยาธิทุกนี้ทำให้กระชกายวันไหวไปมาไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกขเวทนากระวนกระวายไปเป็นเบื้องหน้าถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ดี พยาธิทั้งหลายก็ย่อมเบียดเบียนบีธาเหมือนกันเหตุดังนั้นตถาคตจึงตรัสเทศนาชื่อว่าพยาธิทุกข์ด้วยประการชนีแก้ไขในพยาธิทุกข์ตามัตถกถาพระธรรมจักก็ยุติลงเท่านี้ภัควาองค์สมเด็จพระชินสี ผู้ทรงสวัสดีภาคเจ้าเมื่อจะตรัสเทศนาในบรณะทุกนั้นจึงตรัส ด, ด้วยพระบาลีเนื้อความว่าพิก เ, เวดูก่อทีิขูทั้งหลายทำทั้งหลายคือจุดติดับจิตแห่งสัตว์ก็ดีทำลายขันแห่งสัตว์ก็ดีทิ้งเสียซึ่งกะเลวระแห่งสัตว์ก็ดีขาดชีวิตตินซีแห่งสัตว์ก็ดี ทำเหล่านี้ตถาคตเรียกชื่อว่ามรณธรรมสิ้นด้วยกันและมรณะอันนี้เป็นที่เกิดทุกข์แก่สัตว์ทั้งปวงนั้นมากนักหนาเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะใกล้ถึงมรณะการเตโชธาตุในสรีระกายนั้นบังเกิดกล้าขึ้นให้สัตว์ทั้งปวงร้อนรนกระวนกระวายประสำระายไปทั่วสันพังเปรียบดุดคบเพลิงมาวางไว้ในที่เหนือลมก็เหมือนกัน อันนี้เป็นมรณะทุกข์อย่างหนึ่งและสัตว์ทั้งหลายที่ได้กระทามกรรมอันยาบช้าลามกไว้ด้วยกายวาจาหามีความเมตตากรุณาไหมรันเมื่อจะใกล้มรณะการนั้นทุกขานิมิตก็ปรากฏคือให้เห็นเพลิงในนรกก็ดีบางทีก็ให้เห็นนานนริยาบาลถือเครื่องสัตราวุธมาแวดล้อมบางทีก็ให้เห็นโซตรวน บางทีก็เห็นแรงกามาแวดล้อมอยู่ก็มีสัตว์ผู้นั้นก็สะดุ้งตกใจเสียดายชีวิตมีใครจะดับจิตจากร่างให้ภาวะพวังต่างๆบางจำพวกก็ร้องกระโวยกระวายขวักไข่ไปมาอาสติอารมณ์มิได้บางจำพวกก็โทมนัดน้อยใจตัวเองด้วยตัวนั้นเป็นคนพานหาได้บำเพ็ญการกุศลไม่กลัวภัยในนรก อันนี้ก็จัดเป็นมรณทุกข์อย่างหนึ่งและบุคคลที่มีโพคายไอสุริยะสมบัติและมีญาติมิตรสหายเป็นอันมากเมื่อจะดับจิตจากร่างให้ภวะผวังกังวลด้วยสมบัติพัสถานสริงคารทั้งปวงห่วงใยด้วยบุตรภริยาคนาญาติและมิตรมีใครจะดับจิตจากร่างเลยอันนี้ก็เป็นมรณทุกประการหนึ่ง และบุคคลที่ท่านพัฒ น, นาการจองจำไว้นั้นก็ดีและบุคคลที่ท่านตัดเท้าตัดมือเส้นนั้นก็ดีและบุคคลที่ท่านออกไปประหารชีวิตเสียนั้นก็ดีเมื่อนายเพชฌฆาตเงือเง้อด้วยดาบอันคมกล้าจะฟันลงนั้นก็ดีคนเหล่านี้กลัวความตายแสนสาหัสสวยทุกขเวทนาหาที่สุดมิได้อันนี้ก็เป็นมรณะทุกประการหนึ่ง นี่แล้วเราท่านทั้งหลายเป็นคนยากคนมีผู้ดีเข็นใจก็ดีเมื่ อ, อยังเที่ยวทองอยู่ในวัฏตารสงสา ร, รเกิดมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีชีวิตเมื่อจิตจะออกจากร่างนั้นให้กลัวภัยคือความตายเสียดายชีวิตนั้นหาที่สุดมิได้เว้นไว้แต่ท่านที่ได้ทําอันวิเศษนอกจากนั้นก็กลัวความตายทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนเหตุชนี้แหละ ตถาคตจึงเรียกว่ามรณทุกดังพันนนามาชนีอีกประการหนึ่งมรณ ะ, ะนี้ยอมย่ำยีสัตว์ทั้งหลายให้พินาศชิบหายเสียนี้นักกว่านักเปรียบปานดังภูเขาอันสูงกลิ้งมาแต่ทิศ ท, ทั้งสี่และทักขยี้บทเอาสัตว์ทั้งหลายให้แหลกเป็นจุรนไปชั้นใด มรณะภัยนี้ก็ย่ำยีสัตว์ทั้งหลายเหมือนฉะนั้นนักปราดผู้มีปัญญาพึงสันนิฐานเถิดว่าทุกทั้งสี่ประการคือชาติทุก์ชราทุก์พยาธิทุก์และมรณะทุกนี้เปรียบอุปมาเหมือนข้าศึกสี่คนตัวเราท่านทั้งปวงนี้เปรียบอุปมาดังว่าคนที่เป็นเวรข้าศึกสี่คนนั้น ตั้งแต่สแสวงหาอุบายที่จะฆ่าบุรุษที่เป็นเวรเสียให้สิ้นชีวิตข้าศึกคนหนึ่งจึงเข้าไปหาบุรุษนั้นกระทำเป็นมิ ส, สหายรักใคร่ประโลมล่อลวงว่าส่วนอุทยานแห่งหนึ่งประกอบด้วยผลปรึกษามีมากภูมิภาคนั้นก็ราบรื่นมีร่มอันเย็นมีน้ำอันใสสะอาดสนุกสนานเป็นที่สำราญรื่นชื่นอารมณ์มาเราจะพาท่านไปในสถานที่นั้น ฝ่ายบุรุษผู้นั้นจะได้รู้ว่าเป็นฆาศึกหามิได้สําคัญว่าเป็นมิตรเป็นที่รักก็หลงละเลงไปตามครั้นถึงกลางป่าฆาศึกที่เป็นคํารบสองก็ออกจับเอาบุรุษผู้นั้นทุบท้องแทบบรรดาตายฆาศึกเป็นคํารบสามก็ออกตีซ้ําย่ำยีบุรุษผู้นั้นให้นอนกลิ้งนิ่งแน่อยู่เหนือพื้นปัตภี ข้าศึกเป็นคำรบสีนั้นมีมือถือดาบอันคมกล้าวิ่งออกมาตัดศีรษะบุรุษนั้นให้ขาดเด็ดสิ้นชีวิตตินสีอันนี้แหลมีอุปมาชั้นใดชาติทุกนั้นซส่เปรียบด้วยข้าศึกเป็นปฐมนั้นมาล่อลวงเราท่านให้ไปปฏิสนธิในตระกูลต่างๆมีขัตติยะมหาศาลและพราหมณ์มหาศาลเป็นต้นเป็นประธาน ว่าเป็นที่สนุกสนานสำราญใจข้าศึกที่เป็นคำรบสองคือชาราทุกนั้นก็ออกจากตัวเราท่านรันทามทุบท้องกระทําให้ทุกพลภาพถอยกำลังลงให้ขัดขวางให้เมื่อยมืนตามืดหูหนักปันหักแก้มตอบผมงอกผิวหนังหดหูสันหลังโคดโค้งสิโครงนั้นสะพรั่งไปด้วยแถวเอ็นควรจะเวทนาข้าศึกเป็นคารบสาม คือพยาที่ทุกนั้นก็ออกมาโบยตีรันทมยีบีทาเราท่านทั้งปวงให้ไข้ให้เจ็บให้ยอกเสียดแทงทั่วสันพางบางทีก็เป็นโรคต่างๆมีจากขูโรคโรคตาโสตาโรคโรคหูเป็นประธานนานานับเดือนก็มีนับปีก็มีทนทุกขเวทนาลำบากแสนสาหัสหาที่จะอุปมามิได้ทีนั้นข้าศึกที่สี่ คือมรณะทุก์นั้นก็มาตัดศีรษะเหมือนดังเราท่านถึงมรณะการดับสังขารขาดชีวิตตินสีมีอุปมาเหมือนด้วยค่าศึกสี่คนด้วยประการชนี